ขอน้อมน้อมสะคุณพระรัตนตรัยข อ, อกาสหลวงพ่อคำเขียน <c oughs> เพื่อนสัทธมิกทุกท่านจเจริญธรรมแม่ชีระายะาที่ทำทุกท่านวันนี้กลุ่มปฏิบัติก็จะเดินทางกลับไปแล้วเนาะเราก็ได้มามีโอกาสปฏิบัติกันเจวันสิ่งที่เราได้ก็คงจะเป็นความรู้สึกตัวเป็นสติ ที่เราจะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้คราวนี้เราก็ที่ปฏิบัติมาเราก็จะเห็นนะถึงอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะบางทีก็มีความง่วงนะความเบื่อความเครียดนะหรืออาจจะนะรู้สึกว่ามัน <c oughs> น่าเบื่อหน่ายในการปฏิบัตินะมนะีความตึงเครียดต่างๆนะเพนะเรา เนี่ยไปตั้งความหวังนะในการไิบัติธรรมมากเกินไปน ะ, ะบางวันเราก็เห็นถึงอความที่เราบังคับก็ไม่ได้ <c oughs> บางครั้งก็ไปบัติมันรู้สึกว่ามีความรู้สึกตัวทั้งวันนะบางครั้งก็หายไปนะเกือบจะไม่มีความรู้สึกตัวเลยเนะี่ยแล้วเราก็เป็นความทุกข์กับสิ่งเหล่านั้น <c oughs> นะทำให้ไม่รู้สึกตัวทุกๆกวันนะไม่มีสติทุกวันหรืออ บอกเมืเช้าดีบางวันตอนบ่ายก็ไม่ดีแล้วนะเราก็มีความทุกข์ไปในอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะตรงนี้ก็จริงๆแล้วเขาก็แสดงความเห็นความจริงให้เราเห็นว่า <c oughs> เราก็บงังคับบัญชาก็ไม่ได้นะบางครั้งเขาก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีนะั่นแหละเราจะทําให้เขาดีทุกทุกทุกครั้งเนี่ยก็ไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าเ็าได้แสดงความจริงตรงนี้นในความที่ว่าเขาเป็นแค่รูปแค่นามเท่านั้นเองนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี้ส่วนหนึ่งก็คือกลับมารู้ <c oughs> ในรูปในนามนั่นเองนะว่าไม่ใช่ตัวเมตตนของเรานั่นแหละอย่างเช่นเราเดินจงกรมแล้วก็เดินไปนะแต่ในขณะนั้นเราก็จะเห็นว่าเรา <c oughs> เห็นว่ากายในเป็นการเดินเป็นการเดินด้วยกายนะไม่ใช่ว่า เราเดินอยู่นะเราจะเห็นว่าเออจริงๆแล้วมันก็ <c oughs> เป็นแค่รูปเท่านั้นเองนะแต่เราเป็นผู้ที่รู้อยู่เป็นผู้ที่ดูอยู่ในรูปที่เดินอยูนะ่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็ <c oughs> สามารถที่จะแยกได้แล้วว่า เ, ออเป็นรูปแล้วนะรูปรูปกำลังเดินอยู่นะประเดี๋ยวเราเดินเดินอยู่ล้วก็เห็นความคิดอยุดแบบไปเราก็เห็นเออความคิดนั่นก็คือนามนะนามที่เ็าคิดไป อันนี้ก็เป็นการแยกรูปแยกนามแล้วนะแล้วก็เห็นกายในเดินเราก็เป็นผู้เห็นรูปที่ก็เดินอยู่นะเห็นความคิดก็คือเราก็เห็นนามอีกนะก็เห็นเห็นเห็นรูปแล้วเห็นนามอย่างนี้เลยนะในสุดถ้าเราเห็นไปเรื่อยๆเห็นซ้ำซ้ำบ่อยๆเห็นซ้ำซ้ำซากเห็นแล้วเห็นอีกนะมันก็จะเห็นว่าเออจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่รูปแค่นามจริงๆนะก็เห็นซ้ำซ้ำแบนั่นแหละ เช่นความคิดก็ก็คิดอยู่ทั้งวันนะเราจะเห็นว่าเรายิ่งปฏิบัตินี่ความคิดยิ่งเยอะเพราะเราได้เห็นความคิดแล้วนะเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะอยากคิดอะไรแต่เขาก็คิดถึงเขาเองนั่นแหละเราก็เป็นผู้ดูไปเห็นผู้ดูความคิดไปนะเห็นซ้ำๆบ่อยๆก็เห็นว่าเออเขาก็เป็นนามนะไม่ใช่เราจะคิดแต่ว่าเป็นนามก็คิดเองนะเราก็เป็นผู้ดูเป็นผู้ดูเป็นผู้ดูอ่ะ ดูสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นของเขาเองนะแต่ถ้าเราเป็นเราคิดปับ๊บเราจะทุกข์ทันทีเลยโอ้ทำไมบัต <c> ร <oughs> มาต้องไราวันแล้วทำไมยังคิดฟุ้งซ่านเยอะแยะนะทําไมยังไหลงอยู่อยู่ดุบ่อยๆนะเราก็จะมีความทุกขนะ์ก็พยายามไปแก้ไขนะแต่ถ้าเราเข้าใจว่า เ, เป็นแค่นามนะไม่ใช่เราเหรอกเป็นแค่นามเราก็ไม่ทุกข์ในตรงนั้นเพียงแต่เราได้รู้ความจริงแล้วนะว่าความคิดนะั้นไม่ตัวไม่ตนของเรานะ เพราะนั้นกายก็เหมือนกันเราก็เห็นไปอย่างนี้นั่นแหละกายก็เป็นเรื่องของกายอเป็นเรื่องของรูปของเขาเองไม่ใช่ของเรานะะในสุดเราก็ไม่ทุกข์กับกายของเขาหนะ้าที่ว่าบางทีเขาก็ปวดเมื่อยเขาง่วงนะเขามีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของกายทั้งหมดมไม่ได้เกี่ยวกับเรา <c oughs> เราก็ไม่ทุกข์ในตรงนั้นนะเพียงแล่วเราก็เห็นซ้ําไม่บ่อยนั่นแหละ <c oughs> แล้วเราก็จะแยกได้นะในรูปในนามนี้มันก็ค่อยๆห่างไปเรื่อยๆนะมันก็ไม่ใช่ตัวเมตตน เหมือนอย่างที่อาจารย์กับพลทอมบุญนุ่มนะท่าน ก, <c oughs> เนกานะ็เป็นผู้พิการนะเป็นผู้พิการแล้วก็อัมาพาตนะเคลื่อนไหวไม่ได้ตั้งแต่ศีรษะลงมานะก็คือเคลื่อนไปได้ศีรษะกับแขนทั้งสองเพียงเล็กน้อยเท่านั้น <c oughs> แล้วท่านก็เมื่อก่อนก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะก็อ่านหนังสือมาถึงสิบหกปีหนังสือธรรมะฟังนะเทปต่างๆก็ไม่ออกจากความทุกข์ไดนะ้ตอนหลังก็มีผู้ที่นะ แนะนำให้ขีดจมบยมาหาหลวงพ่อคำเขียนแนะนําการไปบวรรมหน่อยหลวงพ่อคำเขียนก็ตอบไปว่าเออตามใดที่ยังหายใจอยู่ได้ก็สามารถไปบวรรมได้นะ อ, อนั่งสมาธิเดินจงกรมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะยกมือสร้างจิตวิาก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะก็ให้พลิกมือคว่ำพลิกมือหงายอย่างเงี้ยไปก็ได้นะท่านก็ทำตามนะใช้เวลาวันละหกชั่วโมงเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะท่านก็เข้าใจมาว่า อมันก็กายเนี่ยก็เป็นมันป่วยนะมันเป็นอวมพาสก็เป็นของกายเท่านั้นนะแต่ตัวท่านเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับกายนั้นนะท่านก็ไม่ได้ป่วยตามไม่ได้เป็นอวมพาตตามเพราะใจก็ไม่ต้องเป็นอวมพาสตามกายไปได้เพราะว่าท่านเห็นแล้วว่าเออกายมันก็เป็นแค่รูปเท่านั้นเองนะเราก็เป็นผู้เห็นรูปเท่านั้นเองนะอท่านก็เห็นแล้วก็เลยแยกออกมาเลยว่าเป็นรูปนะ เราก็เป็นผู้รู้ผู้ดูไปนะมันก็แยกกันตรงนั้นเมืนกับท่านก็เปรียบเทียบมันก็เป็นตลับยาหมองนะตลับยาหมองกับฝ้ายาหมองมันก็แยกกันตลับก็อยู่ข้างหนึ่งฝาก็อยู่ข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นกายหรือรูปก็อยู่ข้างนึงใจก็อยู่อีกข้างหนึ่งก็ไม่เกี่ยวข้องกันจิตก็เลยหลุดออกมาเลยหลุดมาก็กลายเป็นผู้รู้ผู้ดูไปเมื่อเป็นผู้รู้ผู้รู้ก็เป็นผู้ตื่นผู้บิกบาลผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบาลก็เลยหลุดออกมาจากความทุกข์ ท่านก็เลยบอกว่าท่านลาออกจากความพิการแล้วนะก็คือลาจากความทุกข์ทางกายนั่นแหละนะอันนี้ก็เป็นการแยกรูปแยกนามไปเลยนะจากการที่ว่าเป็นสภาวะความจริงซึ่งไม่ได้เกิดจากความคิดแต่เป็นการที่ท่านเห็นแล้วซ้ำซำากๆนะวันละหกชั่วโมงนะเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วก็สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเพราะว่าท่านได้มีอยู่ความทุกข์จริงๆความทุกข์กายจริงๆนะ <c oughs> เมื่ออยู่กับความทุกข์แล้วในจิตมันก็ สามารถเห็นความทุกข์แล้วก็ออกจากความทุกข์ได้เร็วนะแต่โดยสภาวธรรมที่พวกเราเป็นนักปฏิบัตินี้เราจะไม่เห็นความทุกข์ในตรงนี้จริงๆนะเราก็รู้สึกมันก็แก้ได้ง่ายๆนะเดี๋ยวง่วงก็ไปนอนเดี๋ยวหิวก็ไปทานอาหารอะเดี๋ยวปวดเมื่อยเราก็ลุกขึ้นมายืนเดินนั่งนอนก็หายแล้วเพราะาเราเราสามารถแก้ทุกข์ได้เร็วเราก็ไม่เห็นทุกข์จริงๆนะเราก็จิตมันเมื่อไม่เห็นทุกข์มันก็เลยไม่เบือ่อน่ายอในสังขาร น, นี่แหละ เมื่อมันไม่เบื่อหน่ายมันก็เลยไม่วางนะมันก็ไม่วางมันก็ไม่แยกจริงๆเราเห็นว่าเออมันก็แค่เป็น <c oughs> เป็นลูกเป็นนามนะอแต่พอเราไปบังคับเป็นชาก็ได้ตลอดเวลา น, ะนั่นเองนะ อ, อนึกจะทําอะไรแล้วก็ทำนึกจะไปกินก็กินนึกจะ อ, อยืนเดินนัง่งนอนแล้วก็ทำํำ <c oughs> บางทีนั่งไม่เมื่อยสักคู่หนึ่งแล้วก็ <c oughs> เราก็พยายามไม่เห็นความทุกข์หรอกนะเราก็เมื่อยปุ๊บเราก็ลุกมาเดินจงกรมเลยแต่เราไม่รู้ว่า เ, ออเราลุกเพราะอะไรนะก็คือเราลุกเพราะแก้ทุกข์นั่นเองนะ เพราะนั้นเมื่อเราไม่เห็นทุกข์เนี่ยจิตก็เลยไม่เบื่อหน่ายนะมันก็ไม่เบื่อหน่ายจิตก็ไม่สามารถที่จะวางได้เร็วนะเราก็อ่าเมื่อไม่เห็นทุกข์แล้วเนี่ยเมื่อก็ไม่วางเนี่ยเราก็จะเป็นแค่ความคิดในการเป็นรูปเป็นนามเท่านั้นเองนะ <c oughs> มันไม่ได้ยากจริงๆถ้าเราเห็นว่าก <c oughs> ็เป็นรูปเป็นนามจริงๆนะมันก็เป็นแค่ความคิดเพราะนั้นเราจะออกจากอ่า การยึดติดในรูปนามนี้ไม่ได้นะก็คือรูปก็เป็นเป็นเรานั่นแหละนามก็คือเราไม่ก็เลยแยกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องเห็นบ่อยๆนะมันก็เห็นอในกายนะกายก็คือเห็นภาวะธรรมในกายนี่แหละเวทนาต้องเห็นในชัดเวทนาก็ความสุขความทุกข์หรือความเฉยเก็เห็นให้ชัดในสภาวะเหล่านี้เห็นให้ชัดแล้วก็เห็นว่าเออก็ไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาเพราะว่าเขาก็เกิดดับตลอดเวลานะ แม้แต่เรานั่งปฏิบัตินี่แหละถ้าเรานั่งจริงๆนะอ <c oughs> บางทีชั่วโมงแรกนี่เราจะรู้สึกมันเวทนามากอแต่พอผ่านไปสองสามชั่วโมงแล้วเนะสามชั่วโมงแล้วมันก็จะเบาลงบางทีไม่ต้องลุกมันก็หายไปนะเวทนาก็หายไปได้หรือบางทีเราง่วงนอนมากๆนะง่วงนอนปุ๊บเราก็ <c oughs> ทนไม่ไหวเราก็ลุกขึ้นมาเดินยังกลมแต่เรานั่งปฏิบัติไปอย่างเก่านั่นแหละไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิน้นนั่งยกมืออย่างเก่า ประเดี๋ยวความง่วงก็หายไปนะหายวับไปเลยนะอันนี้กเขาแสดงว่าเออเขาก็ไม่เที่ยงนะงงนะบังคำบัญชาเขาไม่ได้เหมือนกันนะตรงนี้เราก็เห็นเวทนาเขาไม่เที่ยงอ่าจิตก็เหมือนกันนะจิตเราก็เห็นความจริงได้นะว่าเออความคิดมาเขาก็ไปความคิดต่างๆมาเขาก็ไปของเขาเองนะอันนี้ก็เห็นเ อ, อ่าสภาวะที่จิตอ่ที่ปรากฏขึ้นะว่าเขาก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน นะเหลือลบต่างๆนะความรักความชังความเบื่อหน่ายความเหงาความเครียดความกลัวความหึงหวงความมิชาเลสยาความน้อยใจความเสียใจต่างๆเข้ามาแล้วก็ก็ไปนะก็คือตรงนี้เราเห็นซ้ำๆบ่อยๆเราก็จะเข้าใจความจริงนะอเช่นความคิดนี้เราเห็นได้บ่อยมากนะวันหนึ่งคิดเยอะแยะเลยเราเห็นไหมนะเขาก็มาเขาก็ไปมันก็เห็นซ้ําๆบ่อยๆแล้วก็ไม่ไปยึดติดตรงนั้นนะจิตก็จะเข้าใจความจริงแล้วจิตก็จะปล่อยวางได้ในที่สุด นะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นว่า <c oughs> จิตหรือความคิดต่างๆเป็นของเรานะมันก็ออกจากตัวตนในตรงนี้ได้นะะหลังนั้นก็เป็นธรรมธรรมก็คือสภาวะธรรมที่เขาเกิดดับตลอดเวลาอยู่แล้วนะเช่นบางทีเรายกมือเนี่ยมันก็เกิดดับนะออาการที่มันเคลื่อนไหวมันก็กลายเป็นหยุดอาการหยุดก็กลายเป็นเคลื่อนไหวไปนะเราเดินก็เห็นภาพว่าความเกิดดับของของการเดินนะรูปนาต่างๆเกิดดับตลอดเวลา ความคิดก็เกิดดับอาการกายต่างๆก็เกิดดับนะเรานั่งเดี๋ยวก็กลายไปไปยืนแล้วน่ยอาการลุปนั่งก็หายไปนะมันก็เปียอย่างเงี้ทั้งวันเนี่ยเราก็สังเกตอาการต่างๆนะหรือแม้แต่เราเหลียวซ้ายแลขวามันก็อาการที่เหลยวนี่ยมันก็หายไปแล้วนะเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีเราก็เห็นเออเดี๋ยวมือขึ้นมาเกาหัวนะปรเดี๋ยวมือลงมาอาการเกาหัวก็หายไปนะมันจะเห็นสภาพว่าทำเหล่านี้ได้ชัดเจนนะ <c oughs> ครั้นี้การที่เราเห็นชัดเจนไม่ต้องมีความต่อเนื่องกันนะไม่ใช่ว่าเราเอ่อทำเวลานี่หนึ่งชั่วโมงปั๊บเนี่ยแล้วก็เลิกนะแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยมันก็เห็นไม่ชัดเจนครั้นี้อาจารย์กับพลทบุนุ่มในท่านทาติดต่อกันตลอดทั้งวันนะวันละหลายๆชั่วโมงเนี่ยคือสภาวธรรมท่านมีความต่อเนื่องกันในระดับหนึ่งนะท่านก็เห็นสภาวธรรมได้ชัดเจนน ะ, นะเห็นสภาวธรรมที่มันบังคับบัญชาไม่ได้จริงๆนะเพราะท่านลุกไปไหนไม่ได้นะท่านก็ต้องนั่งนอนอยู่ตรงนั้นทั้งวัน แต่เราเราจะไม่เห็นในภาวะที่เขาอในความที่ว่าเขาเนีบังคับบัญชาก็ไม่ได้แต่ว่ากายของเราบังคับเขาได้เราเมื่อเราก็ลุ้มาเดินได้นะเราก็ไม่เห็นชัดเจนว่าเออเขาก็แสดงอาการต่างๆที่ว่าเราบังคับก็ไม่ได้จริงๆนะครั้นี้เราต้องทําให้ต่อเนื่องกันทั้งวันทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบนะเราก็อนอกรูปแบบเราก็พยายามมีการเคลื่อนไหวบ่อยๆนะนะมีความต่อเนื่องกันนะตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะตื่นนอนแล้วก็ าก า, บารบัตธรรนี่จริงๆก็ต้องต้งตื่นนอนถึงเข้านอนนีมันที่หลวงพ่อ่หลวงพ่อเ <c oughs> ทียนได้บอกไว้ว่าให้ตื่นนอนถึงเข้านอนแล้วคือเวลาบาัติธรรมน่ะหมดนะคราวนี้เราตื่นปั๊บเนี่ยถ้าเราไม่รีบแล้วก็เออให้รู้สึกตัวก่อนก็ได้แล้วเราให้ลุกขึ้นมานะอาพอลุกขึ้นมาปั๊บด้วยความรู้สึกตัวเมื่อจะต่อเนื่องได้นะไปพับผ้าผมไปล้างหน้าแปรงฟันเข้าห้องน้ําต่างๆเราก็รู้สึกตัวได้ตลอดเวลามาเดินมาทําวัดตอนเช้าล้วก็เดินมาด้วยความรู้สึกตัวได้ หลังนั้นเราก็อยู่แบบรู้สึกตัวทั้งวันนะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะั้นโดยเฉพาะอาการเล็กเลกเน้อยเนี่ยบางทีเราก็ลืมไปนะบางทีเราก็มือมาเกาหัวอ <c oughs> หรือคันตรงไหนเราก็ไปเกานะหรือไล่ยุงไลแมลงต่างต่างอาการเล็กเลกเล่น้อยเนี่ยเราก็รู้สึกตัวได้ตลอดได้เป็นกันนะแต่ไม่ต้องไปคอยเพ่งต้องรู้ตลอดเวลาอืแต่ว่าเมื่อเรารู้เนี่ยรู้บ่อยๆก็แล้วกันนะเ อ, อเรานึกได้เราก็รู้ในตอนนั้นนั่นแหละ ถ้าเรานึกได้แล้วเรารู้ตรงนั้นเราก็ชื่อว่าเรารู้ต่อเนื่องแล้ว <c oughs> แต่เราไปคอยเพ่งมันจะกลายเป็นว่าเราไปคอยจ้องมันจะไม่ไม่ใช่ของจริงเราจะเห็นว่าเราก็บังคับบัญชาก็าได้เหมือนกันนะ่ะพเราคอยจ้องคอยเพ่งเนี่ยพะสติก็เกิดจากการที่เราบังคับให้เขาเกิดได้นะแต่จริงๆสติก็คือเขาเกิดเขาเองได้อยู่แล้วนะก็คือาการเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราเรา ร, ร, ารู้เราคิดไปแวบนึงก็ น, นี่ก็คือสติแล้วนะอ่รู้เมื่อกี้เราเกาหัวมนะันนั่นก็คือสติแล้วนะ บางทีรู้อย่างเงี้ยไปบ่อยๆมันก็ค่อยๆชํานาญขึ้นนะบางทีออาปากพูดก็ยังรู้เลยกับพลิกตาก็ยังรู้เลยนะเพราะเราสามารถเห็นสภาวะธรรมในตรงนั้นได้ที่เราเผลอแล้วเรารู้บ่อยๆนั่นเองนะเผลอแล้วรู้เนี่ยมันจะเป็นสติที่มันจะสร้างสมให้เราชํานาญในสตินี้ได้เร็วนะเพราะมันเป็นสติตัวจริงที่เราไม่ได้สร้างขึ้นมานะการนี้การรู้ก็รู้หลงๆนะ่าจะเป็นรู้ตั้งใจมากเกินไป บางคนไม่ตั้งใจมากก็ไปจนแนบแน่นกับร่างกายเนี่ยมันก็มันก็ไม่หลวมมันก็จะกลายเป็นมันไปติดแนบแน่นไปเลยนะมันกลายเป็นตัวเพ่งไปเลยเนี่ยทําให้มันไม่เห็นสภาวะที่มันละเอียดเล็กๆน้อยได้นะแต่เราเรารู้ล้มรวมรู้กว้างๆรู้เป็นแบบรู้ตัวทั่วพร้อมนั่นแหละมันก็จะกลายเป็นว่าเราสามารถที่จะเห็นสภาวะธรรมได้ชัดเจนขึ้นในการเล็กๆน้อยๆนะมันก็กลายว่าจิตตั้งมั่นขึ้นมานะ จิตตั้งมั่นก็คือสภาวะที่มันรู้นึ้รู้ตัวนั่นแหละจิตตั้งมั่นก็คืออาการที่ไหลไปตั้งจิตจิตคิดไปแล้วก็สังเกตได้เร็วนะจิตขยับเล็กเล็กน้อยนแล้วก็สังเกตได้เร็วเพราะว่ามีจิตที่ตั้งมั่นอยู่จิตตั้งมั่นไม่ใช่เป็นจิตที่ตั้งไม่ใช่เป็นจิตไปเพ่งเอาไมปคอยจ้องคอยดูแต่เป็นจิตที่เขารู้ตามความเป็นจริงได้โดยตัวเขาเองนะแล้วก็ไม่ต้องรู้ตลอดเวลาด้วยแต่เกาสามารถรู้ได้บ่อยๆนะมันก็สามารถสังเกตการต่างๆได้ เมื่อรเราแก้การต่างๆได้เขาจะเห็น ก, การมาการไปของลูปของน้ำในได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะแล้วเขาก็จะค่อยๆวางเขาเองะเขาก็เบื่อนายนะเขาก็เห็นเ อ, อมันก็ไม่มีสาระไม่มีการสารไหลไม่ใช่ตัวไม่ตนจริงๆนะจิตเขาจะวางของเขาเองนะมันก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวในสิ่งๆเหล่านั้นแล้วก็กลว่ามันเป็น ก, กิริยาของจิตนะมันไม่มันไม่ได้เป็นอาการของจิตแต่เป็นกิริยาเฉยๆนะกิริยามันก็ไม่ทําเราทุกข์ต่อไป นะเพราะเมื it, so ่อเราไปบัตรไปแล้วเราก็มีความฟุ้งซ่านได้นะคิดโน้นคิดนี้ได้หลงได้แต่เราก็ไม่ทุกข์กับเขาเพราะเรารู้ว่ามันเป็นแค่กิริยาของจิตเท่านั้นเองนะหรือแม้แต่อารมณ์ต่างๆนี่เกิดขึ้นเราก็เข้าใจเขาเป็นก็เป็นแค่กิริยาจิตเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ไปทุกข์กับตรงนั้นแล้วนะแต่เมื่อเรารู้ไปบ่อยในเขาก็จะน้อยไปเองน้อยไปเขาจะเบาไปในที่สุดเขาก็จะจากเราไปในที่สุดนะโดยเราไม่ต้องไปทำอะไรกับเขาเลยแค่เราให้เห็นบ่อยๆรู้ไปบ่อยเท่านั้นนะเขาก็ไม่อยู่กับเรานานหรอก แต่ถ้าเราไม่รู้เขาไม่รู้จักเขาเรามันก็แก้ไม่ได้หรอกใช่ไหมอ่าคือการปฏิบัติธรรมนี่ต้องรู้จักตัวเองนะกลับมารู้จักกิเลสตัวเองว่าเป็นเราเป็นคนอย่างไรเป็นคนขี้โกรธไหมเป็นคนขี้น้อยใจไหมอ่าเป็นคนที่มีอารมณ์ต่างๆที่ไม่ดีไหมนะคราวนี้ถ้าเรากลับมารู้จักในตรงนี้แล้วก็ชื่อว่าเราเริ่มเข้าใจตัวเองแล้วนะมันก็จะค่อยๆเบาลงนะมันก็คนบ้านนะคนบ้าถ้าไม่รู้ว่าตัวเองกําลังบ้านเนี่ยมันก็ไม่หายหรอกนะ แต่ตามใดที่รู้ว่าเออขณะนี้เราเริ่มบ้าแล้วนะเราเป็นคนบ้ามันก็จะเริ่มหายแล้วนะเพราะฉะนั้นจิตเราเนี่ยถ้าเราเริ่มรู้จักตัวเราเองนะว่าแม้แม้แต่เป็นคนไม่ดีนะเป็นคนนิสัยไม่ดีอย่างไรกลับมารู้จักตัว เ, เองแล้วมันจะเริ่มเบาลงไปแล้วนะมันจะเริ่มคลายออกต่างๆได้เพราะฉะนั้นาการปฏิบัติรรมก็กลับมาเห็นตรงนี้นั่นเองว่าเออเราเป็นอาการอย่างไรในจิตเกิดขึ้นนะเ อ, อเห็นบ่อยๆแล้วเนี่ยจิตมันสามารถที่จะเข้าใจแล้วว่ามันไม่ดีนะเพราะว่ามันรู้แล้วเป็นความทุกข์ อ่าเช่นเราโกรธคนอื่นเนี่ยก็คือเราทุกนั่นเองนะไม่ใช่คนที่เราโกรธทุกหรอกนะเราเป็นคนทุกเองนะครั้นี้เมื่อเราเห็นมันก็ทุกนะโกรธใครมันก็ทุกเพราะมันเห็นบ่อยๆมันเข้าใจบ่อยนะมันก็จะวางในเองมันก็ไม่อยากโกรธแล้วจิตมันก็มีความฉลาดนะมันก็รู้ว่ามันเป็นความทุกมันก็ไม่ไปจับในตรงนั้นหรอกเอารมณ์ทุกทุกอย่างมันก็คือความทุกทั้งนั้นนะไม่จดเป็นความคิดหัวความบิดาต่างๆก็คือความทุกทั้งหมดนะเมื่อมันเห็นมันจะเข้าใจ ล้มันก็จะวางได้โดยตัวเขาเองนะเพียงแต่เรากลับมารู้บ่อยๆรู้บ่อยๆสังเกตบ่อยๆเป็นผู้ดูบ่อยๆแล้วเขาก็จะวางเขาเองนะวันตรงนี้เราสังเกตได้ไหมนะอ่าเมื่อนะสังเกตได้แล้วเนี่ยมันจะกลายว่ามันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันก็วางเขาเองเลยนะมันก็ไม่ไปจับอย่างสมัยก่อนนะอ่าคือคือจิตเรากับลมนี่มันเป็นคนละตัวกันนะแต่เมื่อก่อนเมื่อลมเกิดขึ้นปับ๊บเราก็ไปจับเลยนะว่าเป็นเราโกรธเรารักเราชังพอจับมันก็อยู่เรานาน น, นะ คำนี้จะใช้คําว่าไม่ให้คำนี้จะใช้คําว่าก็คือการให้ค่ากับลมต่างๆนั่นเองนะแต่พอเขาเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราไม่ให้ค่าเขาก็จากไปเลยนะเขาก็ไปเพราะว่ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปเขาได้อยู่แล้วแต่ที่เขาไม่ไปหรือเขาไปช้าก็เพราะเราไปให้ค่ากับเขาเองนะเขาก็เลยไม่ไปนะคราวนี้ถ้าเราเห็นเออมันแค่เป็นนามนะเกิดขึ้นเท่านั้นเองนะนามเกิดขึ้นมันไม่ให้เรามันก็เลยดับไปอย่างรวดเร็วเลยนะมันก็ไม่ไปให้ค่าอย่างสมัยก่อน ลองเนี้ยมันก็เป็นการวางวางโดยตัวเขาเองนะเราไม่ไปคอยวางหรอกสภาวะธรรมหนึ่งถ้าจิตเขาเข้าใจแล้วเขาจะวางเขาเองเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเขาแล้วนะถ้าเราไม่ยุ่งเกี่ยวมันก็คือยังไม่วางจริงก็เป็นความคิดของเราเท่านั้นเองว่าเราคิดว่าจะวางแต่ว่าเขาก็ไม่วางนะเพราะฉนั้นสภาวะธรรมใดๆเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปรีบให้เขาดับเอความโกรธคือต้องดับเดี๋ยวนี้นะดับเดี๋ยวนี้อันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่สภาวะธรรมที่เราไปจัดการกับเขาได้แล้วก็ไม่ใช่ของจริงนะ แต่ถ้าไปรีบขนาดนั้นจะไม่เห็นความเกิดดับโดยตัวของเขาเองแต่ถ้าเราเกิดขึ้นแล้วเราไม่ไปผักใส่เขาเลยเห็นว่าเขาเกิดแล้วเขก็ดับได้เองเกิดแล้วก็ดับได้เองนี่แหละเราจะเห็นความจริงตรงนี้นะแล้วเราก็เมื่อเห็นบ่อยแล้วจิตก็จะเกิดการเบื่อหน่ายเกิดการวางได้ในตัวเขาเองในที่สุดนะแต่ก็เราจัดการเขาเกิดเพิ่อเราเราจัดการเขาดับเราจัดการเขาได้เราก็ไม่เห็นในความจริงที่ว่าเขาเกิดแล้วก็ดับเองนะก็กลายว่าตัวตน กลายว่าเราตัวตนเรานี่แหละเราทํามันเข้าได้ให้เขาดับเองเพราะฉะนั้นอัตราตัวตนก็จะเกิดขึ้นมานะก็าเลยว่าเรายังมีสักยญาติฐิอยูนะ่มันก็ไม่วางนะเพราะว่าในสังโยชน์ทั้งสิบนั้นก็คือสังโยชน์สิบเนี่ยถ้าผู้ใดสามารถลักสังโยชน์สิบได้ก็คือเป็นพระรหันต์แต่สังโยตัวแรกก็คือสักยญาติทิฏสักยญาติทิก็คือมันก็ต้องวางกายวางใจในตรงนี้ให้ได้เองนะเมื่อวางกายวางใจในข้อแรกนี่แหละสักยญาติทิคือ คือสังโยชน์ข้อแรกเนี่ยเมื่อวางได้แล้วเอกิเลสตัวอื่นก็วางได้ในตัวหมดเลยนะมันจะวางของเขาเองนะแต่ถ้ายังวางสังโยชน์ข้อแรกขึ้นในตัวตนไม่ได้เนี่ยกิเลสตัวอื่นก็วางไม่ได้เหมือนกันเพราะนนั้ตัวแรกก็คือตัวตนนี้ต้องวางให้ได้ก่อนนะแล้วกิเลสตัวอื่นๆก็จะไม่มีที่เกาะแล้วเขาจะวางได้ทั้งหมดเลยนะเพราะนั้นสิ่งถ้าเราเข้าใจตรงนี้มันก็ไปพัฒนาต่อยอดได้ตลอดเวลานะไม่ว่าเราจะกลับไป ทํางานหรืออยู่ที่บ้านที่ไหนก็แล้วแต่ตรงนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าเราทําไม่ได้นะเพราะกายไปฏิบัติธรรมนี่ไม่ว่ามาไปฏิบัติธรรมที่วัดนที่สถานปฏิบัติธรรมที่ไหนสักแห่งหนึ่งแต่ก็ไปฏิบัติอยู่ที่กายและใจเรานั่นแหละอที่ไหนที่มีกายมีใจเราอยู่เราก็ทําได้ทุกแห่งนะเราก็เห็นตามความจริงเป็นอย่างนี้ลนะ่ะเข้าใจเข้าไปดูการเคลื่อนไหวดูความคิดไปอตามดูกายตามดูจิต ดูดูอาการของกายดูอาการของจิตไปเรื่อยๆนะในที่สุดก็เห็นว่าเป็นแค่กิริยาของกายกิริยากิตไม่ให้ตัวไม่ตนของเรานะมันก็วางเป็นในที่สุดนะแต่ถึงจิตมันไม่ไม่สามารถที่จะวางได้ว่าไม่ให้ตัวไม่ตนของเราแต่เขาก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆนะก็คือกิเลสมันจะค่อยๆเบาลงไปเรื่อย ๆ, ๆจากการที่เรารู้ตามกายไปง่ายๆนี่แหละรู้ตามกายไปในชีวิตประจำวันของเราก็ได้ไม่ไปไปค่อยคิดอะไรหรอก แค่รู้ตามไปเราก็เห็นความจริงแล้วนะว่าเขาเคลื่อนไหวไปเราก็เป็นผู้ดูไปเท่านั้นเองเคลื่อนไหวไปเราก็เป็นผู้ดูไปไง่ายๆแค่เนี้ยมันก็ทําในตลอดเวลาเลยนะเพราะเราดูแค่ห่างๆดูแค่หลุ่มๆมันก็จะเห็นอย่างนี้ทั้งวันนะมันก็มีความสุขนะพรอเราพอเรามีความรู้ตัวมันก็มีความสุขเองมันไม่ได้เป็นความยุ่งยากไม่ได้เป็นความทุกข์เลยหรอกนะมันก็มันก็กลายว่าเรามีความสุขไปอาจ า, กการย์กัมพลทองบุญนุ่มเนี่ยโอ้ ท่านอยู่นะถ้าเป็นคนพิการถ้าเคยมีพิการอยู่นะยังเป็นคว า, าพาภัยยัยงเก่านั่นแหละแต่มีคนที่ดีๆนะมีคนที่แขนขาดีๆอาการครบหลายเสองเป็นคนรวยต้องเยอะมามาปรึกษาแก้ความทุกข์ใจกับคนพิการนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าคนพิการกับมีความสุขแต่คนที่สมบูรณ์กับมีความทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่อาจที่จะแก้ไขความทุกข์ทั้งใจได้นะ เมื่อแก้ไขความทุกข์ทางใจไม่ได้หลายๆคนก็เลยไปค่าตัวตายกันเยอะมากนะเพราะาออกจากความทุกข์ทางใจไม่ได้นะเพราะฉะนั้นในพูทธศาสนานี้ก็คือสอนให้เราแก้ความทุกข์ทางใจนั่นเองนะอถ้าเราแก้ความทุกข์ทางใจได้แล้วเนี่ยมันก็จะดับพบดับชาติในสิน้นนะแต่แก้ความทุกข์ทางใจไม่ได้ก็ยังมีพบมีชาติอยู่นะเพราะฉะนั้นเราหวังว่าจะนิพพานในชาตินี้ชาติหน้าเนี่ยถ้าเรายังมีความทุกข์ใจในชาตินี้นะ มันก็ต้องมีความทุกข์ในชาติหน้าต่อไปนะตอนนั้นชาตินี้เราก็ต้องวางให้ได้นะวางทั้งใจสามารถแก้ทุกข์ทั้งใจให้ได้แล้วเนี่ยถ้าเราหมดความทุกข์ทั้งใจแล้วในะชาติหน้าก็จบไปเหมือนกันนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถพิสูจน์ได้ในชาติปัจจุบันนี้แหละไม่ต้องไปรอชาติหน้าหรอกใช่ไหมเราสังเกตเรามีความทุกข์ใจไหมนะมีความทุกข์ใจในตรงไหนนะเกิดจากอะไรนะตรงนี้ดูง่ายนิดเดียวนะ เราไปยึดติดอะไรนะมันเห็นความยึดในตรงนี้อยู่ไอ้ที่มันทุกขนะ์ในจริงๆเกิดจากการยึดตรงนั้นเลยนะยึดตัวเราบ้างยึดตัวเขาบ้างน ะ, ะยึดชื่อเสียงบ้างยึดเกยียรติยศหน้าตาบ้างนะมันมีความทุกข์ตลอดนะไปผูกพันกับลูกบ้างผูกพันกับสามีผูกพันกับภรรยาบ้างมันก็มีความทุกข์ตลอดมันเห็นจิตไปไปยึดในสิ่งต่างนะถ้าเราเห็นจิตไปยึดนี่แหละมันเริ่มที่จะพ้นจากความทุกข์แล้วแต่เราไม่เห็นจิตไปยึดเมื่อไหร่เราก็ไม่จะพ้นจากความทุกข์ไม่ได้มานั้นนะ มันต้องเห็นตรงนี้ให้ได้ก่อนนะพอเห็นแล้วเราจะเริ่มเข้าใจธรรมะได้มากขึ้นจิตจะค่อยๆปล่อยค่อยๆวางได้เองนะออย่างที่เขาเทียวว่าเออคนเรานี่จริงๆแล้วมันก็มันก็อมีเชือกผูกคอนะมีโซ่ตัวนผูผูกขานะมันก็จริงๆมันก็ผูกไว้หลงๆนั่นแหละแต่เราแกะไม่ออกเองนะเราก็เป็นห่วงไปไหนไม่ ไ, มได้นะมีความผูกพันนะกับ สามีภรรยากับลูกกับทรัพย์สินเงินทองทำเราไปไหนก็ไม่ได้ <c oughs> อเพราะฉะนั้นคนเราก็เลยถูกจองจําในวัฏสงสารในตรงนี้นั่นเองนะเพราะความยึดติดความผูกพันจริงๆเขาไม่ได้มาผูกเราหรอกแต่เราไปผูกเขาเองนะเราใจนไปผูกเขาเองนะลองคิดดูถ้าเราตายไปสักคนหนึ่งเขาอยู่ได้ไหมเขาก็อยู่กับเขาได้นะแต่เพราะความเรายึดตุดติดตัวเราเองเราว่าเออเราเป็นสิ่งสําคัญนะขาเราไปคนนี้อยู่ไม่ได้เนี่แหละก็คือเราไปผูกพันเขาเองนะะแต่ถ้าเราหลุดตรงนี้ได้แล้วก็พ้นออกมาได้ แล้วก็แกะโซ่ตัวจากตัวเราเองได้เลยแต่เราไม่ไม่เห็นความผูกพันไม่เห็นความยึดถือเราก็แกะโซ่ตัวไม่ได้หรอกและความผูกพันโซ่ตัวนี้ก็ผูกพันเราให้อยู่ในพบในชาติในวัดองศารตลอดไปนะเพราะนั้นทุกท่านถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้นในชาติบัจจุันนี้นะก็ขอทุกท่านพ้นจากความทุกข์ได้นในชาติปัจทุท่านเทอ